รักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะมีศรัทธามีความเชื่อว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะนํามาสร่งความสุขและความเจริญจะนํามาสร่งความดับของความทุกข์ทั้งหลายเพราะเชื่อในการตัดสรูปของพระพุทธเจ้า เชื่อในพระธรรมธําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จจากพวกเราไปแล้วเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงทรงรู้ในสิ่งที่พวกเรา ยังไม่สามารถเห็นกันได้เช่นทรงรู้สวรรค์รู้นรกรู้เหตุของการไปสวรรค์รู้เหตุของการไปนรกรู้ว่าตายไปแล้วเรายังไม่สูญส่วนที่ตายไปนี้ไม่ใช่เป็นส่วนที่แท้จริงของเราส่วนที่แท้จริงของเราคือดวงใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พอร่างกายตายไปแล้วดวงใจของเราก็จะไปเกิดใหม่ไปตามองนาจของบุญของบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้ถ้าทำบุญก็จะได้ไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็จะไปสู่ทุกขติไปสู่อบายแล้วถ้าอยากจะ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงความจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าใจสะอาดบริสุทธิ์ใจก็ไม่ต้องไปใช้เวนีนใช้กรรมไปเกิดใหม่อีกต่อไปนี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ที่ทำให้พระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปแต่การที่ไม่ได้กลับมาเวียนไหวตายเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงหายไปพระองค์ก็ยังทรงอยู่แต่ที่พระองค์ทรงประทรับอยู่ในเป็นที่พวกเรายังไปไม่ถึงกันที่ประทรับของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย เรียกว่าพระนิพพานถ้าเป็นสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่ดีกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะเป็นสวรรค์ที่ไม่เสื่อมหมดไปสวรรค์ชั้นอื่นๆเช่นสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทนี้ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือยังมีการเสื่อมมีการหมดไป เหมือนกับพบของมนุษย์เราก็มีการเสือ่อมมีการหมดไปร่างกายของเราแต่เมื่อจเจริญเติบโ ต, ตเต็มที่แล้วก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปทีละ เ, เล็กทีละน้อยแล้วก็จะหมดไปในที่สุดอันนี้เป็นเรื่องของปกติของวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดโลกของสังสารวัฏนี้ เป็นโลกที่ไม่ถาวรเป็นโลกที่มีเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับโลกของอบายโลกของเดรัจฉานโลกของเปรตโลกของสัตว์นรก ก, รนร ก, ก็มีวันเสื่อมหมดไปเหมือนกันตกนรกแล้วก็มีวันพ้นนรกได้มาเมื่อบาปกรรมที่ไป ทำไว้ได้หมดไปได้ใช้บาปกรรมหมดไปก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับบุญที่ได้ไปรับที่ได้รับจากที่ได้รับคือได้ไปอยู่บนสวรรค์ก็จะค่อยเสื่อมลงมาจากจากสวรรค์ชั้นพรมก็จะลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะกลับลงมาสู่ภพของมนุษย์ใหม่ เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ตามความรู้สึกนึกคิดตามอารมณ์วันใดมีความรู้สึกสบายใจก็จะทำบุญทำความดีวันใดมีความไม่สบายใจมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจวันนั้นก็จะไปทำบาปพอทำบุญแล้วบุญกับบา ก็จะสะสมกันเป็นจํานวนเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราเอาเงินไปฝากในธนาคารอันนี้เรียกว่าเป็นส่วนของบุญบุญนี้เป็นเหมือนเงินทองที่เราเอาไปฝากไว้ในธนาคารส่วนบาปนี้ก็เป็นเหมือนกับหนี้ที่เราไปกู้มาไปกู้หนี้ยืมสินมาไปซื้อของเงินผ่อนต่างๆ น, นี้เรียกว่าเป็นเหนือนกับการทําบาปเพราะมีภาระที่จะต้องชดใช้เวลาที่ร่างกายตายไปบัญชีของบุญกับบัญชีของบาปก็จะมาบวกลบกันดูถ้าบัญชีบุญมีมากกว่าบัญชีบาบุญก็จะดึงให้ใจได้ไปเกิดในสุคติได้ไปเกิดตามตามอํานาจตาม กำลังของบุญที่ได้สะสมมาไว้ถ้าบัญชีของบาปมีกำลังมากกว่าบัญชีของบุญก็จะถูกบาปฉุดลากให้ไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นสัตว์นรกบ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังของบาปที่ทำไว้ว่าทำไว้มากน้อยเพียงไร อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วจึงได้นำออกมาเคยแผ่สั่งสอนให้แก่สารโลกทั้งหลายอย่างพวกเราถ้าพวกเราเชื่อแล้วพยายามปฏิบัติตามคำสอนที่สงสอนให้ทาบุญละบาปถ้าเราทาบุญมากกว่าบาปเราก็เวลาตายไปเราก็จะไปเกิดในสุคติ ยังไม่ต้องไปใช้บาปเพราะว่าบาปนั้นยังไม่มีกําลังมากพอที่จะดึงให้เราไปเกิดในอบายนั่นเองถ้าทุกภพทุกชาติเราทำบุญมากกว่าทำบาปเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายไปเรื่อยๆแต่ถ้าคบไหนชาติไหนเราทำบาปมากกว่าทำบุญภพนั้นชาตินั้นเราก็จะต้องไปใช้ บาปในอบายดังนั้นพวกเราจึงควรที่พยายามทําบุญกันให้มากๆและทําบาปให้น้อยถ้าไม่ทําบาปได้เลยยิ่งดีเพราะจะได้ไม่ต้องไปใช้บาปในอบายนั่นเองนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั้นถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปแล้วความจริงอันนี้ก็ยังเป็น เหมือนเดิมอยู่ความจริงนี้ไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลาทําบุญก็จะได้บุญทําบาปก็จะได้บาปถ้าบุญมากกว่าบาปตายไปก็ไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญตายไปก็ต้องไปอบายอันนี้ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกหรือไม่ก็ตามถ้าผู้ใด ทำบาปก็จะต้องไปรับผลของบาปทำบุญก็จะต้องไปรับผลของบุญอย่างแน่นอนไม่ว่าจะรู้หรือไม่กระทำไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่กระทำการรู้ความเชื่อนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้เราไปนรกหรือไปสวรรค์แต่การกระทําบุญหรือทาบาปทัางหาที่จะทําให้เราไป สวรรค์หรือไฟนรกแต่ถ้าเราเชื่อเรารู้เราก็จะไม่กล้าทําบาปกันเพราะไม่มีใครอยากจะไปเกิดในอบายไม่มีใครอยากจะไปตกนรกกันมีแต่อยากจะไปสวรรค์กันการไปสวรรค์นี่ก็เป็นเหมือนกับเราได้ไปท่องเที่ยวอย่างเช่นสวัย์นี้เวลาเรามีเงินเหลือใช้ เราก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศได้อันนี้ก็เหมือนกับการไปสวรรค์ส่วนการไปนรกก็เป็นเหมือนกับการไปติดคุกติดตารางนี่เองเราไปเป็นหนี้เป็นสินและเราไม่สามารถใช้หนี้สินได้ก็ถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางไปอันนี้คือตัวอย่างของสวรรค์กับของนรก ที่เราจะเอามาเปรียบเทียบได้นรก ข, ของเราก็คือความทุกข์ใจนี่เองความทุกข์ใจเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันร้ายอย่างนี้แสดงว่าตอนนั้นจิตของเรากำลังรับวิบากของของบาปเราฝันร้ายฝันว่าถูกคนเข้าฆ่าเราถูกคนเข้าไล่ฆ่าถูกคนเข้าทรมานเรา ด้วยวิธีการต่างๆถุกคนเข้ า, าทำร้ายทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองทำร้ายสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักเนี่ยอันนี้ถ้าเราฝันร้ายแบบนี้อันนี้แหละเป็นตัวอย่างของนรกที่เราจะต้องไปใช่ต่อไปเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเวลาที่เรานอนหลับฝันนี้เป็นเหมือนกับดูหนังตัวอย่าง ดูหนังตัวอย่างของบุญของบาปที่เราทำเอาไว้ถ้าเรานอนหลับฝันดีฝันว่าได้ไปเทีย่ยวได้ไปดูได้ไปฟังสิ่งที่วิจิตพิสดารที่สวยงามต่างๆทำให้เราเกิดมีความสุขอันนี้ก็เป็นเหมือนกับดูหนังตัวอย่างของสวรรค์เวลาที่เรานอนหลับนี้ถ้าเราทำบาปไว้มากก็จะฝันร้าย ถ้าเราทำบุญไว้มากเราก็จะฝันดีแล้วเวลาที่เราตายไปก็เหมือนกับเรานอนหลับฝันไปดีๆนี่เองถ้าเป็นอำนาจของบาปพาพใจของเราไปใจก็เราก็จะฝันร้ายไปจนกว่าจะหมดบาป พ, พอหมดบาปแล้วก็จะมาตื่นตอนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือเวลาที่เราฝันดี ตอนตอนที่เราตายไปแล้วเ ร, เราฝันดีก็เหมือนเราได้ไปสวรรค์พอเราตื่นขึ้นมามาเกิดใหม่ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะมาตื่นขึ้นมาใหม่พอตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ลืมเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เพราะเราไม่รู้ว่าเราได้ไปอยู่ที่นั้นที่นี้มาพอเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมาทําบุญทําบาปใหม่ ตามนิสัยที่เราได้เคยสะสมเอาไว้ถ้าเรามีนิสัยชอบทาบุญเราก็จะกลับมาทาบุญถ้าเรามีนิสัยชอบทําบาปเราก็จะกลับมาทําบาปนิสัยนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นถ้าเรามีนิสัยชอบทําบาปเช่นชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีเสพสุรายาเมาพูดปด ถ้าเรารู้ว่าเป็นนิสัยไม่ดีเราก็เปลี่ยนได้วิธีเปลี่ยนก็คือต้องคอยห้ามไม่ให้ไปทำตามนิสัยเดิมเวลาที่อยากจะทำบาปก็อย่าไปทำบาปเวลาที่จะรักทรัพย์ก็อย่าไปรักทรัพย์เวลาที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็อย่าไปทำเช่นเวลาที่เรามีความโกรธหรือมีความโลภนี้ ใจเรามักจะคิดไปในทางที่ไม่ดีเพราะเราอยากจะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเวลาเราโกรธใครเราก็อยากจะทำร้ายเขาอยากจะฆ่าเขาแต่ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราก็จะรู้ ท, ทันทีว่าการทำบาปนี้ไม่ดีทำแล้วจะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ เราอาจจะเกิดความพอใจในขณะที่ได้ฆ่าผู้่เพราะเขาทำให้เราโกรธทำให้เราแค้นแต่เวลาเราฆ่าเขาแล้วหลังจากนั้นใจของเราจะไม่สบายใจของเราจะหวาดวิตกกังวลไหนจะต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตารวจเพราะไม่อยากจะไปรับโทษต้องไปติดคุกติดตารางหรือไปถูกประหารชีวิต แล้วอีกใจหนึ่งก็กลัวญาติพี่น้องของคนที่เราไปฆ่าเขาว่าเขาจะโกรธแค้นโกรธเคืองแล้วเขาจะตามฆ่าเราได้นี่คือการกระทำไรตามอารมณ์ชั่ววูบทำไปแล้วจะไม่คุ้มกับความรู้สึกที่ได้อาจจะรู้สึกดีใจเดียวเดียว แล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมาหวาดวิตกกับโทษที่จะตามมาเช่นเดียวกับการลักทรัพย์ก็เหมือนกันเวลาเราอยากจะได้อะไรมากๆพอเราไม่สามารถที่จะไปซื้อได้เราก็ไปลักขมโมยมาเวลาเราได้ของมาใหม่ๆเราก็ดี อ, อกดีใจแต่หลังจากนั้นไม่นานเราก็จะเกิดความ วิตกกังวลขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวที่จะต้องไปรับโทษต่อไปดังนั้นถ้าเรายังมีนิสัยทำบาปอยู่ก็ขอให้เราพยายามนึกถึงโทษที่จะต้องตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโทษในปัจจุบันก็คือความทุกข์ใจและการที่จะต้องไปใช้โทษในคุกในตาราง โทษในอนาคตก็คือตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายจึงไม่คุ้มค่ากับการกระทำบาปสู้ยอมอดกลั้นอดทนยอมยอมในความรู้สึกที่ไม่ดีดีดีกว่าที่ระบายความรู้สึกไม่ดีด้วยการไปทำร้ายผู้ไปฆ่าผู้ไปทำบาปทํากรรม แล้วพออารมณ์ไม่ดีนี้หายไปเราก็จะสบายใจเราก็จะไม่มาเครียดมาทุกข์กับกับกรรมที่เราที่ทําไปเพราะเราไม่ได้ทํานั่นเองนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะกระทําเพราะพุทธเจ้าถึงทรงสอนให้เรามาเปลี่ยนนิสัยถ้าเราชอบทําบาปเราก็ต้องไม่ทําบาปหยุดการกระทําบาป ถ้าเราชอบทำบุญก็ให้ทำให้มากเพิ่มขึ้นไปเพราะการทำบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับการเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารนั่นเองยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็จะมีบุญมากขึ้นเท่านั้นยิ่งมวยบุญมากก็จะยิ่งมีความสุขมากตายไปไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปมากขึ้นไปทำบุญมากสวรรค์ก็จะเป็นสวรรค์ชั้นสูง สวรรค์ที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับเวลาไปพักโรงแรมก็จะพักห้องที่เป็นห้องชั้นหนึ่งอย่างนี้ถ้ามีเงินน้อยก็ต้องไปพักห้องชั้นธรรมดาถ้ามีเงินมากก็ได้พักชั้นห้องพิเศษชั้นใดการทำบุญก็เหมือนกันทำบุญมากก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นพิเศษทำบุญน้อยก็จะไปสวรรค์ชั้นชั้นธรรมดา และเวลากลับมาเกิดก็จะมีความร่ำรวยมากกว่าผู้อื่นมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทำบุญยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้มาเกิดเป็นผู้ที่มีเงินมากขึ้นไปเท่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระเวชสารดอพระพุทธเจ้าทรงทำบุญอย่างมากมาย่ายกองพอท่านตายไป ท่านก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพิเศษแล้วพอหมดบุญจากสวรรค์ชั้นพิเศษก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์ที่มีฐานะที่สูงคือได้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ได้ออกบวชในตามลำดับต่อไปได้มาตัารูุเป็นพระพุทธเจ้า ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าสู่สวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมคือพระนิพพานนี่ก็คืออนิสง์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาบุญอย่างต่อเนื่องทาบุญให้มากขึ้นไปตามลำดับตอนนี้เราถ้ายังําน้อยอยู่ก็ทาให้มากขึ้นไป เช่นตอนนี้เรามีเงินเราทําบุญร้อยละสิบของเงินที่เรามีต่อไปเราก็เพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละสาสิบถ้าเราทําบุญมากขึ้นไปเท่าไหร่เราจะมีความสุขใจมากขึ้นไปเท่านั้นเมื่อมีความสุขใจมากขึ้นใจก็จะมีความอิ่มก็จะไม่มีความอยากได้อะไรความอยากก็จะน้อยลงไป ก็จะทำให้เราไม่ต้องทำบาปได้รักษาศีลได้เมื่อเรารักษาศีลได้ใจเราก็ยิ่งจะมีความสุขมีความสงบมากขึ้นก็จะทำให้เราสามารถทำใจให้สงบได้นั่งสมาธิได้ปฏิบัติธรรมได้ถ้าเรานั่งสมาธิได้พบกับความสงบ พ, พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลาย ก็จะทำให้เราสามารถสละเงินทองที่เรามีอยู่ทั้งหมดไปได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงสละพระราชสมบัติเพราะพระองค์ได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็คือความสุขที่ได้จากความสงบของใจนี่เองเวลาใจสงบแล้วนี่ไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่า พอได้ความสุขแบบนี้แล้วก็จะไม่สนใจกับความสุขแบบเดิมที่เคยได้ความสุขที่ได้จากการเป็นเจ้าชายมีปราสาทถึงสหลังสาเพื่อเพื่อไว้ใช้ในสามฤ ด, ดูมีอะไรไว้คอยดื่มคอยรับประทานคอยเสพอยู่ตลอดเวลาแต่ก็สู้กับความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอได้ทรงพบกับความสุขอันนี้แล้วพระองค์ก็เลยทรงทาบุญอย่างเต็มที่คือมีเงินทองเท่าไหร่ก็สละไปหมดภาษาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันภาษาวกก็เป็นคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่เองบางคนก็เป็นเศรษฐี บาคนก็เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินแต่พอได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังว่ามีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เกิดศรัทธาสละราชสมบัติสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองออกบวชกันพอออกบวชแล้วปฏิบัติธรรมหยุดความอยากได้ กำจัดความโลภความโกรธความหลงไปในใจภายในใจให้หมดไปได้ใจก็พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ใจก็ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกเลยไม่ต้องกลับมา เ, าเวี ว, ว่าตายเกิดเด็กต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ไม่ต้องมาทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องมาทุกข์กับความตา ย, ไ, ยไม่ต้องมาทุกข์กับาาา ก, กบารพัดพาจาก สิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปอันนี้แล้วคือความสุขที่แท้จริงเป็นการดับความทุกข์ที่ถาวรการดับความทุกข์ของพวกเราทุกวันนี้ยังเป็นการดับความทุกข์ชั่วคราวเวลาเราไม่สบายใจเราก็ไปทำสิ่งที่เราอยากจะทําพอเราทําแล้วเราก็หายจากความไม่สบายใจไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความไม่สบายใจก็กลับมาหาเราใหม่ เพราะวิธีที่เราดับความไม่สบายใจนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องนั่นเองเป็นเหมือนว่าเอาไปกรบเอาไว้เดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากจะดับความไม่สบายใจให้หมดไปอย่างถาวรเราก็ต้องทำแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงกระทามาก็คือต้องทำบุญทำทานให้มากขึ้นไปไเรื่อย แล้วก็รักษาศีลไม่ทำบาปแล้วก็พยายามปฏิบัติธรรมทาใจให้สงบควบคุมใจไว้อย่าให้คิดอะไรเวลาใจคิดแล้วใจจะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจเวลาเสียใจก็ไม่รู้จักหยุดมันแต่ถ้าเราฝึกควบคุมความคิดไว้อย่าให้คิดตามอาเภอใจ เหมือนกับขับรถอย่าปล่อยให้รถวิ่งไปเองโดยที่เราไม่มีเบรกไม่มีพวงมาลัยไว้คอยควบคุมมันถ้าปล่อยให้รถวิ่งไปโดยไม่มีคนขับควบคุมเดี๋ยวรถมันก็ต้องไปตกถนนไปแหกโคง้งหรือไปชนกับรถคันอื่นใจของพวกเราพวกเราก็เหมือนกันถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้ ใจของเราก็มักจะไปชนกับคนนั่นคนนี้มักจะไปชนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราแต่ถ้าเรารู้จักควบคุมใจของเราควบคุมความคิดของเราต่อไปใจของเราจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราจะสร้างแต่ความสุขให้กับพวกเราเพียงอย่างเดียวแล้วต่อไปเราจะสามารถขับใจของเราเหมือนกับขับรถ พาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยได้ถ้าเราขับรถไม่เป็นหรือว่าไม่สามารถควบคุมบังคับรถของเราได้เราจะไม่สามารถนั่งรถไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย การที่เราจะไปถึงพระนิพพานได้เราก็ต้องขับใจของเราคือควบคุมความคิดของเราให้ได้เราต้องหยุดความคิดของเราให้ได้เราสอนให้ใจคิดไปในทางที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพาน mm hmm. ก็คือสอนให้ใจเราหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากต่างๆนี้เองถ้าเราทำได้เราก็จะไปถึง จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวงทั้งหลายได้ไปถึงพวกเราทุกคนมีสิทธิเท่ากันที่จะไปถึงพระนิพพานได้อยู่ที่ว่าพวกเราจะอยากจะไปหรือไม่อยู่ที่ว่าพวกเราจะปฏิบัติตามได้หรือไม่เท่านั้นเองสิ่งที่เราต้องปฏิบัติทำก็ตามก็คือให้ทำบุญมากๆทำจนหมดเนื้อหมดตัวเลย แล้วก็ให้รักษาสีลให้บริสุทธิ์ไม่ทำบาปเลยแล้วก็หยุดใจหยุดความคิดของเราหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงหยุดความอยากทั้งหลายให้มันหมดไปถ้าเราทำได้เราก็จะไปถึงที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงกันเราก็จะได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรง นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเรามีศรัทธาเราจึงได้เข้ามาพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอ น, นวันนี้เราก็มาทําบุญกันมาลากบาปกันมาชำระใจความโลภความโกรธความหลงของเราให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปและให้หมดไปในที่สุดเตรียมขอฝากเรื่องของ การปฏิบัติตามพระธรรมกาสอนของพระพุทธเจ้าที่จะยังประโยชน์สุขให้แก่เรานี้ให้ท่านได้นนาเมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียรเท่านี้ขอคุณระะทรศีลธตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้ามาบำเพ็ญกันณวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันะสุขะพาละโดยทั่วหน้ากันเทอ